วันนี้อากาศความหนาวลดลงกว่าเมื่อวานนีอ้ออุ่นขึ้นดีกว่าเมื่อวานแต่แต่ทังยังไงก็มีน้ำค้างบนศาลาของเราเมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันน้ำค้างหยดลงมาจาก <c oughs> สังกสีหลายหยดเหมือนกันนะ เห็นหพวกเราพื้นศาลาของเราเห็นแต่น้ำค้างมันหยดเป็นจุดๆว่าน้ำค้างมันไหลลงมาจากศาลาแต่คงหลังศาลาก็คงจะมีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสังกษสีแล้วก็คงจะไหลไปตามรางรางน้ำฝน <c oughs> แต่อยู่ใต้ถุนศาลาเนร้สิวมันหล่น หล่นลงมาเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อฉันจังหาเนี่ยมันยังหล่นลงมาถูก <c oughs> หลายหยดเหมือนกันนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดพระในวัดของเราขณะนี้ทั้งหมดยี่สิบ หกรูปวันนี้ลงมาชั้นยีสถึงยังไงถึงจะมีพระน้อยก็ให้ช่วยๆกันดูแบ่งแบ่งโซนกันนะเรื่องปัดกวาดหน้านี่เป็นหน้าใบไม้มันล่วงถ้าเราไม่ปัดกวาดเลยก็ดูก็รกรุงรังถ้าเราจะปัดกวาดมากเกินไป มันก็เหนื่อยสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นหัวหน้าที่เป็นพระช่วยๆกันบอกกันว่าใครจะยึดสายไหนปัดกวาดให้ช่วยๆกันแต่ละกลุ่มไม่ใช่ว่าปล่อยปาดละเลยมีแต่มาอยู่ที่ศ า, า, าลามลุมมาตุ่มกันยึดที่ศาลาแต่ล้างหลังวัดลกลุงลัง ก็ไม่น่าจะถูกนะช่วยๆกันดูนะเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อขอตะเวนดูวัดเข้าไปข้างในรู้สึกว่าลกคือว่าพระในวัดของเราประมาณ 20-30 องค์น่าจะถ้าช่วยกันรักษาดูแลนะก็คงจะสะอาดกว่านี้แต่นี่ดูๆแล้วรู้สึกว่าขาดการใส่ใจดูแลนะขาดการดูแลขาดการใส่ใจของผู้ใหญ่ พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูไม่ใช่จะมาแต่บริเวณสาราบรรลุมะลุม ม, ม, มตุมแต่อง์ไหนก็ตามนะพักยกุติหลังไหนล้านหลังไหนก่อนที่จะออกมาจากกุติต้องปัดกวปัดกวาดวาทำความสะอาดกุติของตนเองให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอาดกายสะอาดวายาสะอาดใจ แต่ขนาดกายอย่างรกรุงลังไม่ทำความสะอาดบริเวณกุฏิของตัวเองพระ อ, อกนั้นอย่ามุ่งหวังเลยอย่าหวังเลยว่าทำในใจจะเกิดขึ้นมาได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นให้ดูนะพวกเราท่านทั้งหลายนะกุฏิที่พักพาอาศัยต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต่อไปภายภาคหน้า ยิ่งเป็นพระเก่าก็ยิ่งจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของพระอนุชนรุ่นหลังต่อไปตาพวกท่านทั้งหลายดูแล้วไม่มีกิจจะวัดข้อวัดลกลุงลังไปหมดต่อไปภายภาคหน้าละใครจะเป็นตัวอย่างพระลูกพระหลานพระที่เข้ามาบวชใหม่พอมาเห็นนมีแต่ความสกปลกรกลงรังไปหมดสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายดูนะ เสนาสะนะตลอดถึงที่พักผาอาศัยห้องน้ําห้องส้วมที่ไหนก็ตามนะที่อยู่ในวัดของเราให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันดูแลเพราะมันเป็นเคหสถานของพวกเราขันทวัดเสนาสนะวัดเวชวัดอาจาริยวัดอุปชายวัดขันทวัดสิบ พวกเราท่านทั้งหลายได้อ่านดูไหมในวินัยมุกเล่มสองให้ศึกษาดูหนะ้ามีหน้าที่อะไรบ้างสำหรับเราเป็นพระจิตจะวัดข้อวัดไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วเกิดใส่ผ้าเหลืองสีสาล้วนก็นจะดีเฉลยไม่ใช่นะมันต้องทำวินัยน่ น, นะ เ, เป็นหลักปฏิบัติมันจึงจะเป็นพระที่ดีได้เพราะนั้น ให้พวกเราทุกๆองค์ที่บวชเข้ามาแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ให้ไม่ใช่ให้ปัดกวาดทั้งวีทั้งวันไม่ใช่อย่างท่านพระเเลวะตะพระในค้งพระพุทธเจ้าพระในครั้งพุทธกาดพอบวชเข้ามาแล้วก็เห็นวัดลกท่านก็ปัดกวาดปัดกวาดแล้วคล้ายๆก็มีความสุขในใจ พอจะนใบไม้ปาปัดกวาดถือไม้กวาดอยู่ทั้งวันพอปัดกวาดแล้วมันแปลนมันสะอาดลานวัดสะอาดแล้วก็มีความสุขใจแต่นี่พรนพระเรวตตเถระท่านเห็นพระองค์นั้นปัดกวาดอยู่ทั้งวันกดในใจท่านก็คงจะดู พระเลวตะท่านเป็นพระหันนะท่านก็คงจะดูเข้าไปในใจของพระองค์นั้นด้วยพระองค์นั้นก็คิดทําไมพระในวัดนั้นทำไมขี้เกียจนักไม่ปัดไม่กวาดเลยเฉันยังหันแล้วก็ต่างองค์ต่างเงียบกลับเข้ากุฏิของตอนเองเดินยังกลมเดินหยอกหยอกจแล้วก็เข้าไปกุฏิของตอนเองเงียบทําไมพระ ท, ท่านจึงทําอย่างนี้ทําไมขี้เกียจดูถูกพระองค์อื่นอีกต่างหากแต่พระเรวตะท่านก็มองดูได้หลายวันจากนั้นท่านก็เรียกมาเรียกพระองค์นั้นมาท่านาที่ท่านทําอย่างนี้ปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันก็ดีอย่าหแต่มันก็ไม่ถูกนะไม่ถูกตามหลักจุดประสงค์ของพระพุทธทเจ้า จุดประสงค์ของพระธรรมวินัยพระธรรมคำสอนของพระพธธรรุทธเจ้าเนีย่ยท่านให้ปัดกวาดเป็นเวลาเวลาในเวลาลงปัดกวาดไม่ใช่ปัดกวาดถือไม้กวาดทั้งวันอย่างเนี้ยพราะฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินจงกลมเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนอริยาบทเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปกุฏินั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงอยู่ในกุติอยู่ในที่สงบของตนเองก็ตั้งจากนั้นก็เพ่งพินิษกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกับพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาอาหารที่เรากืนฐานเข้าไปในท้องของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพเช่นไรอยู่ในท้องของเราจากนั้นก็เนะีร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ร่างกายสังขารไม่จิรังถาวรไม่มั่นคงอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟให้พิจารณาให้พิจารณาร่างกายจากนั้นใจของเราอย่าหลงร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนจะต้องแปรสภาพถึงจะดูแล ด, ดีขนาดไหนก็แก่เจ็บตายในที่สุดคือให้นั่งพิจารณาเห็นอนุอนิ จ, จัง ของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานั่งเพ่งพินิษฐ์อยู่ในกุติอยู่ในที่สงบจากนั้นพอได้เวลาแล้วก็ออกมาจมาเดินจงกรมแล้วก็มาปัดกวาดอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพระไม่ใช่ว่าถือไม้กวาดทั้งวีทั้งวันต่อไปในให้ท่านทําอย่างที่ผมพูดนี่นะ ท่านจะได้เนี่ยแะคือแนวแถวของพุท ธ, ธะที่แนวแถวจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระเรวัตท่านก็เรียกพระองนั้นมาก่อนที่จะเรียกพระองนั้นมาท่านให้ไปอาบน้ําก่อนนะอไปท่านมานี่ยท่านองค์ไปไปส่งน้ําก่อนไปไปส่งน้ําเรียบร้อยแลย้วค่อยมาหาผมนะพระเองนั้นก็วางไม้กวาด วางไม้ตาดไม้กวาดเสร็จแล้วก็ไปสูงน้ำํำพอไปสูงน้ําเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งฟังพระเถระพระติฐิพระเรวตัตตท่านก็เลยสอนสอนแนวแนวของแนวความคิดให้แนวแนวปฏิบัติให้พระองค์นั้นท่านก็นําไปปฏิบัติไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้แหะคือ แนวถแถวของพระพุทธศาสนาคือกิจวัตรข้อวัดเนี่ยท่านก็มาให้ทิ้งแต่ไม่ให้ทำทั้งวีทั้งวันในเมื่อฉันจะหันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปก็พักเปลี่ยนอริยบททีดน่อยก็เดินยองกลมทามันเหนื่อยอยู่เอาขึ้นไปนั่งภาวนาหรือก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็มีมีอะไรที่จะดูหนังสืออ่านหนังสือศึกษาหรือฟังเทศฟังธรรม ทำมเทศนาเพื่อเพิ่มเติมสติปัญญาของเราเรามาเพื่อการศึกษาไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่มาเพื่อโม้เพื่อคุยเพื่ออะไรทั้งทั้งหลายเราเมื่อมาเพื่อปฏิบัติเพื่อการศึกษาจากนั้นเราก็ศึกษาเรื่องวิัย์ศึกษาเรื่องธรรมแต่ถ้าว่าผู้พระพระเกา่าพวกพระเก่าที่เด เข้ามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็เออเอามาช่วยการก่อสร้างพัฒนาหรือว่าดูแลวัดจุดไหนที่มันขาดหรือขาดตกโย่ก็ช่วยช่วยกันแล้วก็าาศรัทธาญาติโยมเรียกเข้ามาช่วยกันเพื่อสร้างวัดว า, าสนาแต่สำหรับพระใหม่ผมเองหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้มายุ่งมาเกี่ยวข้องมากข้อสำคัญให้ดูกิ จ, จวัดข้อวัด ดูปัดกวาดทําความสะอาดไม่ใช่ว่าพอเข้ามาแล้วก็อยู่เด่นเด่นด้านๆไม่รู้จักกิ จ, จวัตรข้อวัดอันนั้นก็ไม่ดีนะไม่ใช่เข้ามาเพื่อการศึกษานะเข้ามาอยู่แบบลอยๆเพอ้อๆออกไปจะตําหนิพระอีกต่างหากโอ้พระเข้ามาแล้วไม่รู้จะทําอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักหน้าที่หน้าที่ของพระคืออะไรหน้าที่ของพระก็คือนี่ยละ เข้ามาแล้วก็อืภาวนาหน้าที่ของพระพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านะภิกษุใดก็ตามนะบวชเข้ามาแล้วไปบิณฑบาตมาฉันนะมีแต่พูดเรื่องสัพเพเหระเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเอ อ, อันนั้นประวัติไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าข้าว ข, ของเขาที่เขาทําบุญ แต่ภิกษุใดพอฉันอาหารของชาวบ้านเขาแล้วมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดแ ก, ก่เก็บตายเห็นความเสื่อมของสังขารเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทำให้จิตใจพิจารณาพลิกจิตใจเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเพียงลัดนิ้วมือเดียว ก็คุ้มค่าข้าวข่าอาหารของเขาะท่านว่าอย่างนั้นนะอท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกพรวันนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฟังออไม่ใช่ว่าสันจังหารเข้ามาแล้วจะมาพูดเรื่องจับเพลใละไม่ได้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้คิดถึงเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองอมีแต่คิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกนะไม่คุ้มค่าข้าวของเขานะข้าวของเขามีราคานะที่เขามาทําบุญตักบาตรให้กับเราเนี่ย ของสิ่งไหนบางที่ไม่มีราคาพวกเราคิดดูสิพวกเราเป็นคารวาสเราก็รู้ได้ว่าอันไหนมีราคาอันไหนไม่มีราคาแต่เข้ามาใส่บาตรถ้าเราไม่มีราคาอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต้องมีราคามีแล้าทําทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่ออยากจะได้บุญได้กุศลแต่เมื่อทำกับเราแล้วนะเรามีอะไรแบ่งบุญกุศลให้เขาบ้างอพอเขามาในกรรมตะคิดออกไปข้างนอก คิดในสิ่งที่มันไม่เคยคิดนี่เออละเหยลอยลมคิดถึงโลกคึงจงสารคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงใครต่อใครเออเพ้อเพอจังคิดเอากรารมกิเลสเข้ามาอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้มันถูกไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาให้รู้จักหน้าที่ชั้นจังหารเสร็จแล้วนะนะเดนยังกลมนั่งภาวนา พอได้เวลาืออเอามาจานน้ำจ้ะได้เวลาก็ไปปัดกวาดปัดกวาดให้แบ่งกันใครจะได้รักษาสายไหนไปสายไหนไปสายไหนปัดปั ด, ป, ดปัดกวาดแต่เราไม่ได้ ท, ทํทั้งวันทั้งวีทั้งวันอย่างที่พระเรวัตที่ท่านสอนมาไม่ได้ทําอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ทําเสลยนะนั้นไม่ถูกต้องนันขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ ช่วยกันดูแลทำความสะอาดปัดกวาดไรมีหน้าที่อะไรก็แบ่งแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันนะถ้าพวกเรารู้จักแบ่งหน้าที่แล้วก็ดีพวกที่เสร็จแล้วก่นนี้มาทำสลาอยู่ข้างนอกทำสลาข้างนอกกันนี่ะเมื่อเสร็จข้างในแล้วค่อยออกมาออกมาข้างนอกแต่ถึงยังไงก็ตามกุฏิที่พักของตนเองต้องสะอาด ที่พักของตอนเองต้องสะอาดอย่าให้มันรกครงรั ง, รงอย่าให้มันมีใบไม้อะไรจนลบไม่ปัดกวาดเฉลยอันนั้นไม่ถูกน ะ, ะพวกงูพวกอสรพิษพวกตะเคห์ขาพวกแมลงป่องอมันจะอยู่พึ่งมันจะอยู่ในอาศัยในใบไม้พวกงูทั้งหลายนะถ้าว่าเราปัดกวาดทําความสะอาดแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายมันจะเข้าไม่ไม่มาพึ่งพาอาศัยเราก็เห็นได้ง่าย เนี่ยเพราะที่มันสะอาดสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ชอบนะที่โล่งโล่งเตียนเตียนมันไม่ชอบมันชอบติดลกติดลกลุงหลังเพราะนั้นเราต้องที่พักของเราต้องสะอาดเรียบร้อยที่พักนัขอให้พวกเราทุกท่านนะพระทุกองนะติ่พุทธทงนี้ทั้งนั้นกิจจะวัดข้อวัดแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะพูดอีกเหมือนกันนะ่นะ จะพระองค์หนก็ตามนะออกไปจากวัดของหลวงพ่อนะเพ้อเพอน่ยไม่มีไม่มีอันจะทำ อ, อ่ไปปั๊มไปทำรูปทำเหรียญหลวงพ่อขายอีกมีไหมให้พวกท่านทั้งหลายสืบดูนะอ่มันไม่ใช่ขนทางแห่งความเจริญน่นะนะเป็นขนทางแห่งความชิบหายเข้าใจไหมเออเราอยู่กับหลวงตามหาบัวเน่ ไม่เคยมีหลรตงตาจะให้ทำเหรียญทองของท่านมีแต่ขโมยทำขโมยทำแบบลบๆซ่อนๆนะพอโค้งสุดท้ายพอท่านอายุมากแต่นี่นหะมาลุ่มมาตุ้มนะทำกันผลสุนท้ายทำทีแรกก็ทำเพื่อแจกกันก็เป็นดีหรอกเป็นมงคลอยู่เราไม่ว่ากันนะทำแจกกันแต่พอทำขึ้นมาอีกสักหน่อยนะมีต้นทุนได้าเ พอมีต้นทุนผมทำํำมีต้นทุนเนี่ยขอถอนถอนต้นทุนคืนฮเออผลนิสิตพอถอนต้นคืนเเขาทา่าป้าฟาดเอาขายเป็นกรรําไรบ่านเออองค์ละเท่านั้นองค์ละเท่านี้แล้วใครให้ให้เธอทําใครให้เจ้าทําใครให้ท่านทําต้นทุนนะ่ะะถ้าท่านไม่ทำมันก็ไม่มีต้นทุนท่านเสือกไปทํา ท, ำทำําทําไมฮะเนี่ย เสียงเหล่านี้มันก็ต้องคิดนะแต่หลวงพ่อสมัยเป็นเนนะมีพระรุ่นนะรุ่นพระมหาเถระผู้ใหญ่แต่หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวนะเขาก็ทํามาทั้งก็แจกกันนะแต่มีพระเทระผู้ใหญ่องค์หนึ่งพอท่านสร้างโบสถนะ์พอท่านสร้างโบสถ์ท่านก็เลยสร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญของท่านเองทนะุกศิษยนะ์สร้าง พอสร้างละไายองค์ละยี่สบาทสมัยนั้นเหรียญโอ้ก็แพงนะเหรียญยี่สิบบาทครูบาจารย์หลวงปู่ล่าพอนะ่ยเากันพูดกันนะเอ๊ะทาไมไปหาขายเอามาขายเอามาเช่าเขาว่าไม่เช่าไม่ใช่เช่านะเขาไม่ว่าขายนะเขาว่าเช่าเช่าพระเช่าเหรียญแต่ที่แท้ก็คือขายชัดๆนั่นแหละขายเหรียญเหมือนกันนะหลายเหรียญครูบาอาจารย์สมัยนั้นก็ตําหนิ หลวงพ่อเองเป็นเนรหลวงพ่อยังจําไม่ลืงประ ท, งทังตัวันนี่แต่หลวงพ่อไม่เอกหลงพ่อเองไม่อยากจะระบุเอว่าเป็นพระมหาเถระองค์ไหนท่านก็เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสแต่ตัวของท่านเองท่านคงไม่มีอะไรหรอกแต่ลูกศิษย์นี่พอสร้างโบสถ์ไม่มีเงินน่ะถ้าไม่มีจะไม่มีจะสร้างทําไม่หลวงตามหาบัวทวั้งขวานะนี่แหละอแล้วก็มีคนมาถามหลวงพ่อ พอเลาะลอรอูปหลวงพ่อนาคเนีหลวงพ่อนาคเน้เป็นทาขึ้นมาเพราะแล้วก็ขายไงไปที่วัดหลวงปู่เจี้ยองค์เล็กองค์ใหญ่เป็นเงินขึ้นมาเขาก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้ขายพระเนี่ยหลวงพ่อไม่เห็นด้วยว่าถ้าขายอย่างอื่นพ่อว่าอย แต่ขายพระเนี่ยเช่าพระเนี่ยหลวงพ่อไม่เห็นด้วยว่ะพุทธทางสรนางคัตฉามิทำมังสรนางคัตฉามิสังขังสรนางคัตฉามิขายกระทั่งอพุทธทางขายกระทั่งขายกระทั่งทำมังขายกระทั่งสังขังนะเออขายพุทธทางทำมังสังขังเป็นเงินหมดแล้วเราจะยึดอะไรเป็นหลักแทนเนี่ยพอเราขายเลยขายเป็นเงินออกมาแล้วเออ ถ้าเราทําขึ้นมาแล้วเพื่ อ, อ, อแก่กันเพื่อเอาไปบูชานะั้นก็ทํานองออแต่คนนอกนั้นเออเราไม่ว่าหรอกเรื่องร้านกรงร้านต่างๆอยู่ข้างนอกแต่เราเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานนะเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์ที่ได้รับการศึกษารู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วนะ พวกเราจะมาลุมกันนะมาทำเหรียญขายเนี่ยมันน่าอดสูดูดายนะหลวงพ่อว่านะวะไม่น่าจะทำนะอะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะขายเนี่นะถ้าแจกหลวงพ่อไม่ว่าอะไรทำขึ้นมาแล้วก็แจกเอาไปบูชารูปเราถ่ายรูปมาลูกลงตามาแล้วเอาเอาไปกราบไปไหว้เน้อลูกหลานเนะ้อเราก็ไม่ว่าแต่เขาก็จะว่าหลวงพ่ออิน ขายซีดีจะว่าอย่างนั้นอีกเนหะลวงพ่อไม่ได้ขายในซีดีหลวงพ่อแจกให้เลยแจกธรรมะเอเอาไปฟังแล้วไปเพื่อการศึกษาหลวงพ่อไม่เคยคิดซีดีม้วนเท่านั้นตัวนี้หลวงพ่อไม่เคยมีแจกให้เออบางทีเอาแจกไปมากมายคนทั้งหลายแหล่มากยที่ไหนบ้างขครบ้างได้ยินว่าหลวงพ่ออินแจกขายซีดีบอกมานะ หลวงพ่อเป็นขายใครเป็นคนขายวะแต่เหรียญหลวงพ่อก็เหมือนกันนะใครทำแล้วมีต้นทุนแล้วขายเหรียญหลวงพ่อนะ่บอกมานะหลวงพ่อมันเริ่มได้ยินได้ยินแต่หลวงพ่อจะพูดปลามไว้ก่อนนะไม่ควรจะมีนะแต่ถ้าว่าเป็นรูกก็ไม่ว่ากันเพราะลูปมันก็ต้องมีแห ล, ละหลวงพ่อเองก็ให้ยศ ถ้ามันมีถ้าเขามาขอขอรูปหลวงพ่อเอิเนอะท่านปฏิทินหลวงพ่อเอาปฏิทินมาวะเออเอาให้เพราะเขาขอมาครับมีรูปแต่ว่าจะไปหาขายอย่างนุ้นขายอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะเรื่องพุทธศาสนาเนี่นะถ้าเรามีเลยก็เอเอรูปเหมือน ของพ่อแม่ครูบาะนะอาจารย์หล่อลูบใหญ่เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่ ง, งที่เราเป็นหลอ่อลูบหลวงตามหาบัวที่สวนแสงธรรมคลาวกรวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดธันวานหลวงพ่อเป็นประธานในการหลอร่อลูบเหมือนองค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อเออเอาสัตยาญาติโยมมารวมกันนะวันนี้เราจะได้หลอ่อลูบ โผงหลวงตาของพวกเราที่เป็นที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสเมื่อหล่อเสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นไปไว้บนข้างบนศาลาวัดสวนแสงธรรมของเราเนี่ยแหละชั้นบนที่ห้องธรรมมะของหลวงตาให้พวกเราท่านทั้งหลายมารวมกันไหวพระสมาทานศีลก่อนนะเมื่อทมาเมื่อสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วคือให้พวกเรามีศีลซะก่อน รักษากายวาจาให้เรียบร้อยเสียก่อนมีศินห้าซะก่อนอจากนั้นเราก็ร่วมกันสวดอิติปิโสพร้อมกันหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำเหมือนอันก่อนที่จะสวดอิติปิโสเราก็ววนน้โมซะก่อนน้โมตัสสะสมจบข้าไปเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น จากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสวนอิติปิโส9จบนั้นลูกหลานนะเกจบนั่นก็คือความหมายก็คือว่ามรรคสี่ผลสนิพพานหนึ่งเป็น9พอดี อ, อิติปิโสภควาสาวกสังโคอุชุปฏิปโนสามีจิปฏิปโนสาวกสังโคคือองค์หลวงตาเป็นสาวกสังโคเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัตชอบเป็นผู้ปฏิบัติตรงนี่พวกเราก็ได้สวดอธิปิโสบูชาพระคุณหลอมจิตใจหลอมกายวาจาใจกายวาจาคือเป็นผู้มีศีลใจของเราก็สวดอธิปิโส เ, เพื่อให้หลอมเป็นหนึ่งเดียวในบรรดาศิษย์ทั้งหลายเพื่อนอบนออ้อมหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวจากนั้นก็จะได้ หล่อองหลวงตาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราทุกทุกท่านนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็เป็นผู้พานาแล้วก็วันที่สิบเอ็ดสิบสองวันที่ส1บเอดนี่หลวงปู่บุญมีเป็นผู้เป็นประธานท่านเป็นผู้พานำหลอหลอรูปเจะพระคุณสาเร็จพระสังฆราชสององค์เป็นความปารบของหลวงปู่ลี ผ้าแดงท่านจะนํามาปฏิสถานที่เจดีย์ของท่านองคหนึง่งแล้วก็จะไปไว้ที่วัดป่าบ้านตาดองหนึงเจ้าพกคุณสมเด็จพระสังฆราชเพราะเป็นถ้าจะว่าไปนะคือเป็นพระสหายพระสหายขององค์หลวงตาเพราะอายุคู่ขี้กันท่านเคยอยู่ด้วยกันรักเคารพไปมาหาสู่กันสมัยเมื่อเป็นผ้าน้อยผ้าหนุ่มทุกทุก พระที่พอไปมาหาสู่กันได้จเจ้าพระกุลสมเด็จก็เคยมาพักที่วัดป่าบ้านตาดแล้วก็พักค้างหลายคืนองค์ลงตาก็เคยไปพักที่วัดบวรแล้วก็พระฝรั่งทั้งหมดตั้งแต่ท่านปัญญาวุโทโธท่านเชอรี่ท่านอะไรต่อไม่อะไรหลายองค์เจ้าพรุกุลสมเด็จบวชที่วัดอวอบวรพอบวชเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ วัดป่าบ้านตาดให้หลวงตาเป็นผู้อบรมแนะนําสั่งสอนเป็นพระฝรั่งในภาคป ฏ, ปฏิบัติเพืเรื่องจิตภาวนาสรุปแล้วก็คือการวัดปรวนก็ดีวัดป่าบ้านตาดก็คือเหมือนกับบ้านพี่เมืองน้อ ง, พ ว, วรรงพวกเราก็ให้ความเคารพหลวงตาพวกเราก็ให้ความเคารพในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะเพราะว่าท่านเป็นสหเป็นสหายธรรมซึ่งกันและกันเห็นไหมนะ เ, เมื่อเขาเปลดสมเด็จพระสังฆราชไม่ให้ความเคารพหลวงตากระโดดออกมาปกป้องอย่างเต็มที่เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายเห็ น, นคล้ายๆกับว่าองค์หลวงตาเนีเ่ท่านให้ความ เ, เป็นสหายธรรมคล้ายๆกับว่าใครมาดูถูกไม่ในทางที่ไม่ถูกต้องหลวงตาจะกระโดดออกไปช่วยนะอันนี้ก็คือการ หล่อลูกของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อวันที่สิบเอ็ที่ผ่านมาก็สําเร็จไปลุล่วงไปด้วยดีนะคนเยอะมากในวันนั้นนะแต่หลวงปู่บุญมีกับคณะสงฆ์ที่ได้หล่อทางพระทางพระวัดบวรท่าก็มาร่วมหลายองค์เหมือนกันในวันนั้น <c oughs> อ่ะ น, นี่แหละอันนี้ก็คือการหล่อลูกอันนี้ไม่ว่ากันพวาะเราเคารพสักการะบูชาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพุทธปฏิมาเหมือนกัน อออันนั้นก็ควรจะทำเพื่อเป็นปุชนนยะบุคคลดิให้ความเคารพนะเออแต่เจ้ปัญมาทำเป็นเหรียญขายเนะียอันนี้ลงพ่อไม่เห็นด้วยนะเอ่อเพอเพอพระน้อยพระหนุน่มทั้งหลายเห่กันอีกทนไหเออคนนั้นกลุ่มนั้นขายนะพอขายเสร็จแล้วก็นู้นอ่ะเออออกมาอวดกันอีกคนนั้นซื้อรถเบนซ์คนนี้ซื้อรถเก๋งคนนี้ซื้อรถปิกอัพเออ เอาไปมาขายคุบายกย์เป็นด้านวัตถุแร้มาซื้อสินของทั้งด้านวัตถุหลวงพ่อว่านะเป็นหนทางแห่งความชิบหายพูดง่ายๆนะได้ความรู้สิคหลวงพ่อนะแต่องค์อื่นเขาจะพูดว่ายังไงก็สุดแท้แต่แต่หลวงพ่อนะ่คิดอย่างง้นนะอันรับพรนะุโมทนาให้พร